สวัสดีพี่น้องนะครับสำหรับวันนี้วันหยุดนะครับหลายคนก็เดินทางไปต่างจังหวัดนะครับเมื่อวานนี้ผมก็เดินทางเหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้เวลายาวนานมากในการประเทศนาที่ค่ายนะครับแห่งหนึ่งนะครับที่สระบุรีนะครับใช้เวลาประมาณสชั่วโมงนะครับจริงใช้สองชั่วโมงก็พอนะเมื่วานสามชั่วโมงนะครับเพื่อเดินทางไปวันนี้ต้องหลังจากเทศเสร็จวันนี้ผมจะไปกลับไปเทศที่นั่นต่อนะครับก็จะมีการไปเทศนาอีกรอบหนึ่งที่นั่นในคืนนี้นะครับ วันนี้มาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับดนตรีและกา ร, ร, รมาสการพระเจ้าผมอยากจะอัญเชิญพระชินพลแปลนะครับของการที่6นะครับจากส่วนหนึ่งของบทละครเรื่องเวนิสวานิสนะครับจากต้นฉบับของวินิสเช็กสเปียร์นะครับหลายคนคุ้นเคยกับข้อความนี้ดีชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบก่นนักนะครับผมชอบที่เขาเขียนต่อนะครับบอกว่าอีกใครฟังดนตรีไม่เห็นเพราะคนนั้นเหมาะคิดกบทอัปะลัก หรืออุบายเล่ร้ายขมังนักโมโหนักมืดมัวเหมือนราตีอีกดวงใจย่อมดําสกปรกราวนรกเช่นกล่าวมานี้ไม่ควรใครไว้ใจในโลกนี้จงเจ้าจงฟังดนตรีเธอชื่นใจฟังแล้วก็ทําป็นดนตรีนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะครับจริงพระเจ้าสร้างดนตรีขึ้นมาเพื่อจะใช้ในการมัสการพระเจ้านะครับหรือแม้แต่ทุกสิ่งเลย ในโลก น, นี้นที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการมาสการพระเจ้าเมื่อหน้า น, นี้ครับในเฟซบุ o กครับมีคนหนึ่งโพสต์า Post มาให้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับดนตรีคนที่ร้องเพลงคนที่เล่นดนตรีเนี่ยนักประสาทวิทยาสแกนสมองนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเขาได้ฟังดนตรีเมื่อเขาแค่ฟังก่อนสมองเนี่ยมีปฏิกิริยาบางอย่างตอบสนองเลยนะครับเหมือนกับมีดอกไม้ไฟลุกโชนขึ้นในระบบประสาทของเราแต่เขาบอกว่าเมื่อลองให้คนเล่นดนตรีครับ มันเหมือนกับมีงานอลังการงานสร้างเลยนะครับที่เกิดขึ้นในสมองของเราเมื่อคนเล่นดนตรีการจึงเป็นเรื่องหน้าตื่นเต้นมากเมื่อเราร้องเพลงหรือเมื่อเราเล่นดนตรีถวายมัสการพระเจ้าแต่หนะ้าเศร้าครับทุกวันนี้คนมากมายเอาดนตรีมาทํำลายจิตใจทํำลายสมองนะครับก็ไปนั่งเศร้าทํามิวสิกวิดีโอนะฟังเพลงเศร้าอกหักพอลักนุน่นรักเธอเนี่นะครับทำให้เกิดความเศร้าหมองสมองก็ถูกทําลายไปแน่นอนครับนี่เป็นสิ่งที่ พระเจ้าไม่พอวัฒน์ไยพระองค์อยากให้ดนตรีที่มีอยู่ในการนมัสการพระเจ้าทําให้เรามีความสุขนักศาสนศาสตร์บอกว่าการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการให้คําสรรเสริญแด่พระเจ้าเพราะเมื่อเราให้คําสรรเสริญแด่พระเจ้าพระเจ้าจะอวยพรกับคนที่นมัสการพระองค์เห็นไหมครับวันนี้เมื่อเรามานมัสการพระเจ้าครับเราสามารถจะรับพระพรจากพระเจ้าเพราะนีนเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะเป็นการให้ที่จะรับการอวยพรกลับมาจากพระเจ้า ที่เรามาสการใ น, นานะคิดเซียนครับเราสามารถใช้ดนตรีในการมาสการพระเจ้าเพื่อให้พระเจ้าพอพระพทัยได้ครับและเราจะมีท่าเทียงไว้บ้างเพื่อพระเจ้าพอพระทัยเมื่อเราใช้ดนตรีเมื่อเราใช้เสียงเพลงเรา <tent ative. S 1> นมาสการโประองจากประคำวันนี้นะครับจะทําให้เราเข้าใจถึงพะพรหรือท่าทีที่ถูกต้องที่เราจะมีส่วนในการมาสการพระเจ้าโดยใช้ดนตรีหรือเสียงร้องเพลงมาสการโประก่อนที่เราจะ เรียนรู้เรื่องราวพระเจ้าร่วมกันให้เราอธิษฐานด้ยครับขอาการทรงนำจากพระเจ้าร่วมกันพระวิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ครับสำหรับในช่วงเวลานี้ที่เราจะมีโอกาสได้เรียนรู้ถ้อยคําของพระเจ้าเพื่อจะเป็นแนวทางให้เรามีชีวิตอยู่เพื่อมรดกการพระเจ้าไม่ใช่แค่ด้วยเสียงเพลงเท่านั้นแต่ด้วยชีวิตของเราทั้งชีวิตเพื่อแด่พระองค์ด้วยท่าทีถูกต้องอย่างที่พระองค์พอพระทยัยขอทรงโปรดเมตตาสถิตอยูด่ยด้วยกับเราในตลอดบ่ายวันนี้ที่ทั้งหลายจะเข้าใจความจริงแห่งข้อชนะของพระเจ้า พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระในพระนามพระเยซูิตเจ้าอาเมนเซลดีหนึ่งห้าสิครับเป็นสซลดีที่หลายคนคุ้นเคยนะครับเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนแต่งเหมือนกับสองบทก่อนหน้านี้ไม่มีการบันทึกชื่อครับว่าใครเป็นคนแต่ง แ, ตแน่นอนครับมีการสรุปกันว่าน่าจะเป็นคนคนเดียวกันที่แต่งขึ้นมาแล้วก็มีความคิดว่าน่าจะเป็นการที่คนเซลีเนี่ยได้นําผลแรกมานะครับใส่เหมือนกับ ผลิตผลทางการเกษตรของเขาใส่กะตะก้าแบกขึ้นบ่ามาเพื่อมาถวายแด่พระเจ้าฉั้นผู้เขียนบทประเสรตอนนี้จะมีความรู้สึกทราบซึ้งในพระคุณความรักของพระเจ้ามากครับเราจะเห็นว่าพระผู้เขียเขียนคําว่าสดุดีถึงสิบสามครั้งเลยเป็นการบรรยายทุกวันรีทุกประโยคเลยจะมีคําว่ามีคําว่าสารนเสริญยอยู่ตลอดเลยหลายนาักวิชาการหลายคนบอกสิบสามเป็นเลขแห่งความสมบูรณ์ของพระเจ้าเลยสิบสองว่าแจ๋วแล้วนะสิบสามเหนือกว่า มีบางคนก็บอกว่าโอ้เเนี่ยสมบูรณ์แล้วมีคนไปถอดรหัสชื่อพระเยซูครับ8นะมากยิ่งกว่า7จ็นั้นสิก็ดูเหมือนมากกว่า12ที่มีในพระคัมภีร์แต่มันไม่ได้มีในยะแบบนั้นแต่ยังอยากจะบอกว่าคนที่แต่งคงอยากจะรู้สึกสรรเสริญพระเจ้าในทุกประโยคที่มีเลยบอกว่าอยากสรรเสริญไม่แปลกใจครับ1น0่จึงเป็นเหมือนบทสรุปของทุกอย่างของพระธรรมสรุดีทั้งหมดเพราะทุกอย่างทุกลมหายใจทุกอย่างที่มีชีวิตอยู่ จะสรรเสริญพระเจ้าแน่นอนครับมีหลายคนอาจจะบอกว่าโุดีบทนี้น่าจะอยู่ในยุคของพระเยซูคริสต์เพราะว่าไม่ใช่แค่คนยิวนะแต่คนต่างชาติทุกอย่างที่หายใจจะร่วมกันสรรเสริญพระเจ้าวันนี้ครับจากพระธํามวันนี้เราจะได้พบท่าทีที่พระธรรตอนนี้บอกเราครับจะนมัสการพระเจ้าอย่างไรจะใช้ดนตรีอย่างไรในการนมัสการให้พระเจ้าพอพระทยัยท่าทีอย่างแรกครับถ้าเราอยากจะให้พระเจ้าพอพระทยัยเมื่อนมัสการพระองค์ก็คือ จงให้พระเจ้าเป็นผู้ฟังแต่ผู้เดียวหลายครั้งเมื่อเราเล่นดนตรีครับร้องเพลงเรามักจะบอกว่าคนจะแอบได้ยินเราคิดอย่างงูน้นอย่างนี้กับเราหรือเปล่าเนาะทาให้เราวกแวกนะเรากาลังเปลี่ยนจุดโฟกัสนะจากพระเจ้ามาเป็นตัวเราเยกมือดีไหมเนี่ยยกมือยกแปลกแยกตบมือดังดีไหมเนี่ยไม่ดีมากหลายคนมักจะคิดแบบนี้แต่เม น, นักดนตรีครับพอเล่นปุ๊บมาแฮ่ก็อยากจะโชว์ออฟนะใส่ไอ้บางอย่างลงไปสักหน่อยให้มันมากขึ้น จนเราลืมความจริงไปครับจริงๆการมัสการที่แท้จริงคือพอระองค์ต่างหากคือผู้ฟังแต่ผู้เดียวเป็นครั้งหนึ่งครับน้องชายผมไปเรียนการมัสการที่บราซิลกลับมาครับกับทีมมัสการหันหลังให้ที่ประชุมเลยเพราะคิดว่าคนที่ควรจะเห็นคนที่ควรจะสนใจควรจะเป็นพระเจ้าไม่ใช่นักดนตรีเอาไปาไท่าทื้ที่ท่าไทย แ, แน่นอนครับพระพิตอนนี้ก็กำลังเหมือนกำลังบอกเราว่าใช่พระองค์คือจุดสนใจจุดเดียวแม้ว่าจะอยู่ในวิหาร หรืออยู่ในที่ใดๆในโลกก็ตามพระมภบันทึกเรื่องราวครับในข้อที่1บอกนี้ครับจงสรรเสริญพระยาเวจงสรรเสริญพระเจ้าในสถานธรรมสการของพระองค์งั้นในวิหารในสถานธมรมสการเป็นที่ที่เราจะสรรเสริญพระเจ้าพัะมภิตอนนี้น่าสนใจครับเขาบอกว่าสรรเสริญพระเจ้ามาจากคำว่าฮาโลูยายาเนี่ยแปลว่าพระเจ้านี่ยรือยาเวนั่นเองนะครับสรรเสริญพระยาเวนีเป็นคําสมาธสนธิที่เอาคําว่าสรรเสริญกับพระเจ้ามาต่อกันแต่ว่าทําตอนนี้แปลกครับ พรมตอนนี้ไม่ใช่สรรเสริญไม่ใช่ฮาเลลูยาแต่เป็นฮาเลลูเอลหรือเอโลฮิมนั่นเองเอโลฮิมนี้แปลว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้เข้มแข็งพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้กระทำสัญญากับประชาชาติที่จะอวยพรและช่วยให้รอดและให้ชีวิตนิรันดร์กับคนที่ไว้วางใจในพระองค์และคนที่เข้าไปในสถานมสการพระเจ้าเล่นดนตรีรอ้องเพลงครับจะพบกับความยิ่งใหญ่เข้มแข็งบริสุทธิ์แลน่าอลังการของพระเจ้า อัะนี่คือพระเจ้าเทผู้ดเดียวที่เราจะนมัสการสรรเสริญพระยาวุเพงวะไม่ใช่แค่วิหารครับแต่ที่ใดในโลกก็ได้พระคัมภีร์ยังพูดต่อครับพระคัมภีร์บอกว่าจงสรรเสริญลงในพื้นฟ้าอันอนุภาพของพระพิธีก็กลังบอกเลยครับว่าในพื้นฟ้าถ้าเราไม่อยู่ในวิหารครับเราก็ยังอยู่ใต้ฟ้าอยู่ดีนะพี่น้องนะแม้ไม่อยู่ในวิหารแสดงว่าทุกที่ครับเป็นที่ที่เราจะนมัสการพระเจ้า ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าร้องถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระมปีกเราบรรยายภาพว่าท้องฟ้าอ น, านันตภาพท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ไพศาลเวล า, ภ า, ภาที่เรามีปัญหามากมายครับให้เราเดินออกไปข้างนอกบ้านนะครับแงหน้าขึ้นมองดูท้องฟ้าปัญหาที่เรามีอยู่มันจะเล็กไปเลยเพราะอะไรเพราะท้องฟ้ามันใหญ่มากเลพระองค์สามารถคุมโลกทั้งโลกด้วยท้องฟ้าหมดได้ปัญหาเราเหรอนิดเดียวเท่านั้นนะงั้นเมื่อเรามองดูท้องฟ้าทำํำไมเราเห็นความยิ่งใหญ่ ครับวันนี้เราเมื่อเรานมาัสการพระเจ้าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามในวิหารหรือข้างนอกเมื่อท่านนมัสการพระองค์พระองค์ผู้เดียวครับที่เราควรร้องเพลงเล่นดนตรีทั้งหมดถวายแด่พระเจ้าเรา ม, ามองดูคําว่านมัสการให้กว้างไปสักนิดหนึ่งนะครับชีวิตจริงแล้วในชีวิตประจําวันของเราเราสามารถนมัสการพระเจ้าได้เสมอไม่จํากัดที่วิหารที่ไหนก็ได้ที่เราอยากนมัสการพระเจ้าเราสามารถ ร้องเพลงหรือคลอปดนตรีไปทุกทุกวันในหัวใจของเราได้ แ, แน่นอนครับสิ่งนี้เองเป็นสิ่งที่ทําให้เราสามารถมีความสุขในการมา ส, ส ก, การได้ตลอดเวลาแน่นอ น, นครับไม่ว่าจะเป็นแค่ความสุขเดียวแต่ความคิดด้วยถ้าเราคิดในเชิงศ า, ศาสนาว่าพระเจ้าเราดีตลอดเวลาเราเป็นที่รักยิ่งของพระเจ้าสิ่งนี้เองจะช่วย ห, หัวใจของเราแข็งแรงขึ้นเมื่อเราอยู่ที่ไหนก็ตามในโลกใบนี้ เหมือนดังที่พระคัมภีร์ในเอเฟซัสบทที่5ข้อ18ถึงข้อ20ได้บอกนี้ครับและอย่าเมาเล่าอุ่นซึ่งจะทำให้เสียคนแต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จงปราศัยกันด้วยเพลงส ด, ดุดีเพลงนมันสการและเพลงฝ่ายจิตวิญญาณคือร้องเพลงสรรเสริญและสดุดีจากใจของท่านถวายองค์พระเจ้าจงขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาสาหรับสิ่งสัมาเสมอในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา การประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราทุกๆวันครับทำให้หัวใจของเราเนี่ยเต็มรอดไปด้วยความตื่นเต้นในกา ร, ร, รมัสการเสมอบางทีตอนนี้กําลังทําเราเห็นภาพครับเมื่อท่านประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์สิ่งที่ผลที่ตามมาคือหัวใจของเราจะล้นไปด้วยคําสรรเสริญตลอดเวลาเราจะพูดกับใครก็เป็นคําสรรเสริญเป็นสิ่งที่ดีๆเราจะทําอะไรเราก็รู้ขอบคุณพระเจ้าวันนี้รถติด ขับรถไปถึงที่ ท, ที่เทศนาเราก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้ทันเวลาเสมอมีหลายอย่างที่เราสามารถขอบคุณได้หรือว่าเราจะเลือกจำ บ, บ่นก็นได้รถติดจังเลยหรือเราจะขอบคุณพระเจ้าพระองค์เจ้าข้าพระองเชื่อมือพระองค์เลยว่าพระองค์จะพาข้าพระองค์ไปถึงที่หมายทันเวลาอันนี่น้องครับมันขึ้นอยู่กับว่าหัวใจของเราเต็มไปด้วยใครงั้นถ้าเรามีหัวใจที่จดจ่ออยู่กับพระองค์หัวใจของเราก็จะร้องเพลงออกมาไม่อยู่ที่สถานที่ แต่อยู่ที่หัวใจของเราที่จดจอ่ออยู่กับพระเจ้าพี่น้องครับถ้าอยากนมัสการอยากจะให้คนหลายคนที่นมัสการแล้วมีความสุขใจและสัมผัส พ, อพอระพรจากพระเจ้าจงเอาหัวใจของท่านจดจอ่อที่พระองค์คนเดียวแม้ว่าโลกจะเกิดอะไรขึ้นพระองค์คือทุกอย่างที่เราฉลองดังผมนูนใจครับเราจะมีชีวิตเหมือนอย่งที่พระธรรมเอเวซัทนิบอกเราจะสามารถร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าทุกวันไวละหาเพลงสักเพลงครับที่ท่านชอบเพลงที่ฉันรู้สึกว่าเพลงนี้แหละ ร้องที่ไรนะี้ทราบซึ้งทุกทีบางคนเป็นพักคุณพระเจ้าบางคนเป็นพักพิงในพระเจ้าบางคนเป็นอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกร้องแล้วต้องมีความสุขมากเลือกสักเพลงหนึ่งครับร้องทุกวันกับตัวเองเวลาที่รู้สึกแย่มากขับรถรถติดเวลาที่รู้สึกว่ามีคนมาเลื่อยขาเก้าอี้เราโอยให้เราลงจากตําแหน่งสักเหรือแม้แต่อะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เราเกิดความวุ่นวายสิ่งที่ท่านตอบสนองคือบทเพลงสรรเสริญพระเจ้า นั้นก่อนจะมีอย่างนั้นต้องเลือกเพลงสักเพลงหนึ่งครับแล้วผมรับประกันครับชีวิตของท่านจะเต็มไปด้วยความสุขใจทุกวันเหมือนกับบรรยากาศการมรดการพระเจ้าจะตามท่านไปทุกที่ในชีวิตและในที่บอกตั้งแต่แรกนะครับการให้ที่ใหญ่ที่สุดคือการให้การสรับสริญและการมรดการแห่พระเจ้าเพราะพระเจ้าจะ อ, ยอวยพรเรากลับมาอย่างแน่นอนชีวิตทุกวันท่ารับการอวยพรเหมือนดนังพระทํ า, ทาตอนนี้ที่บอกท่านจะปลาศัยจะพูดจะเป็นเพลงสดุดีหมด ไม่ได้ความสุขใจไหพี่น้องครับเลือกสักเพลงหนึ่งครับเพื่อทําให้หัวใจของท่านจดจ่อยที่พระเจ้าตลอดเวลาที่คือท่าทีอย่างแรกครับพระองค์คือผู้ฟังหรือศูนย์กลางของการนมัสการแต่ผู้เดียวชิ้นสองครับทา่าทีสองที่เราจะทําให้พระเจ้าภาวนาไทยด้วยดนตรีหรือด้วยร้องบทเพลงของเราก็าคือจง น, นมัสการพระเจ้าสมกับความเป็นพระเจ้าของพระองค์ ในข้อที่สองครับผู้เขียนได้เชิญชวนให้คนสรรเสริญพระเจ้าอย่างที่พระองค์เป็นคือมีสองอย่างครับที่เขาพูดก็คือสรรเสริญพระเจ้าในกิจการก็คือสิ่งที่พระองค์ทำกับสิ่งที่สองคือในสิ่งที่พระองค์เป็นก็คือความยิ่งใหญ่อย่างมากของพระองค์เรามาดูอย่างแรกกันก่อนครับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำพระปีได้บรรยายว่าพอกิจการอันทรงอนุภาพของพระองค์ ทุกอย่างที่พระองค์ทำครับจะสอดคล้องไปกับพระลักษณะของพระองค์เสมอพระองค์จะไม่ทําอะไรที่ขัดแย้งไปกับตัวของพระองค์เองดงนั้นพระองค์บริสุทธิ์พระองค์จึงไม่ทําบาปเลยเนาะดังนั้นพระองค์จะทําสิ่งที่เป็นสอดคล้องกับความเป็นลักษณะของพระเจ้าดังนั้นผู้เขียนซอดีจึงเรียกร้องให้เราสรรเสริญพระเจ้าเพราะว่ากิจการอนุภาพของพระองค์เมื่อเราพิจารณาถึงกิจการอันมากมายที่พระเจ้าได้ทรงกระทำ เริ่มต้นตั้งแต่การสร้างโลกครับโอ้พระเจ้าสร้างโลกอย่างมหัศจรรย์พระพิพ์บรรยายว่าพระองค์ทรงสร้างโลกขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องใช้วัตถุดิบอะไรเลยทุกวันนี้ต้องสร้างบ้านนะต้องมีเหล็กต้องมีปูนมีหินดินมีทรายส่วนพระเจ้าสร้างโลกเหรอจงเกิดความสว่างปุ๊บโลกนี้เกิดความสว่างจงเกิดพื้นดินไม่ีพื้นดิ น, น, ดนจงเกิดท้องฟ้ามีท้องฟ้าโอ้โหไม่ต้องใช้วัตถุดิบอะไรเลยอันนี้มหัศจรรย์นะพี่น้อง สุดยอดแล้วเราจะไปกลัวอะไรอีกกับชีวิตนี้ถ้าพระองค์ยังเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่โอ้เนี่ยกิจการอันอนุภาพของพระเจ้าแต่พระเจ้ามันได้เป็นพระเจ้าที่พอสร้างเสร็จแล้วก็ปล่อยทิ้งด้ไม่ใช่พระองค์เป็นพระเจ้าที่สร้างเสร็จแล้วพระองค์พัดุงโลกนี้ไว้ด้วยพระองค์ไม่เป็นศาสนาศาสตร์เหมือนดีอิซึมผู้ดดิอิซึมเชื่อว่าพระเจ้าเหมือนกับมาไขลานโลกนี้ไข่นาฬิกาไขเสร็จปุ๊บวางไว้แล้วปล่อยให้มันเดินแล้วไม่แทรกใสอีกเลยไม่ พระองค์แทรกแซงทุกอย่างครับแม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมีปัญหาเกิดขึ้นตลอดประวัติศาสตร์ของมุสีอาชาติพระองค์เข้ามาแทรกแซงช่วยกู้แล้วแก้ปัญหาหมดแล้วยิ่งข่าวว่าตอนสงครามโลกเยอรมันกําลังบุกเข้าไปเชสอังกฤษแล้วสุดท้ายอังกฤษรู้ทําทำยังไงดีค น, นประเทศบอกให้อดอาหารดิฐานแล้วอดอาหารดิฐานพระเจ้าแทรกแซงครับทําให้น้ํำท่วมค่ายของเยอรมันต้องถอยล่าไปแล้วกองทัพ ปานาเบก็เข้ามาช่วยทันพอดีเราเห็นพระเจ้าแทรกแสงทุกอย่างนี่ไงกิจการอันอนุภาพของพระเจ้าไหพี่น้องครับลองหวนกับพระคิดสิครับโอ้ตั้งแต่เริ่มสร้างโลกมาจนชีวิตปัจจุบันของเราพระองค์สร้า ง, พ ร, งพระองค์ผดุงทุกอย่างไว้อย่างดีงั้นเราจึงสรรเสริญพระเจ้าชีวิตของท่านก็เหมือนกันครับพระเจ้าปัานเราทั้งหลายขึ้นมาเป็นแบบนี้มีชีวิตแบบนี้ได้ มีชีวิตดำรงอยู่ทุกวันนี้ได้โอ้ยขอบคุณพระเจ้าทุกวันนี้ผมกับคิดจักในโบสถ์ที่เป็นพัรามิตเป็นเครือกันนี้เราไปออกไปแจกอาหารให้กับคนเร่ร่อนนะครับที่สนามหลวงทุกวันพฤหัสครับทุ่มหนึ่งถึงสี่ทุ่ ม, มในพี่น้องอยากไปร่วมแจกก็ได้นะครับไปแล้วผมก็พาคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าไปด้วยเพื่อจะไม่ให้เขาไปแจกข้าวด้วยกันแล้วก็เสียโอกาสเป็นพยานให้กับคนเานี้ เราทำให้เราเห็นเลยเมื่อเราเดินผ่านไปโอ้ขอบคุณพระเจ้าเรามีมากกว่าเขาเยอ ะ, ะทุกวันนี้เราบริจาคเสื้อครับท่านพี่น้องขั้นใดมีเสื้อยืดนะครับขอกลมผมเชื่อว่าคิดจกักรในชอบทําเสื้อยืดนะเราพบว่ า, ว า, วาโอ้เสื้อยืดเต็มบ้านะ่ะเราบริจาคเสื้อยืดให้คนเร่ร่อนครับคนเร่ร่อนจะใส่เสื้อสะอาดๆวันเดียวนั้นคือวันที่เราให้หลังจากนั้นเขาจะสกรปรกตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปจนวันที่เขาทิ้ง โอ้เรามรู้สึก ข, ขอบคุณพระเจ้าโอ้เรามีเสื้อสะอาดใส่เรามีข้าวกินคิดจากที่เชิญผมไปบอกว่าโอ้วันหนึ่งขณะที่คนร้อนกําลังหยิบขนมปังเน่าๆขึ้นมาจากทางขยะแล้วเขาเห็นคนกลุ่มนี้มาแจกข้าวทิ้งขนมปังนำมารับข้าวกล่องที่ผ่านมาผมมีโอกาสไปแบ่งไปแบ่งปันไปแจกข้าวเช่นกันเจอคนคนนึงบอกว่าผมเป็นแรงงานผมไม่มีใครมาจ้างงานผม วันผมมีกร ะ, กระป๋องน้ําอยู่ขวดเดียวเติมน้ําสาธารณะกินถ้าวันไหนไม่มีอะไรกินก็จะกินน้ำสี่ขวดเพื่อจะประชุงชีวิตให้รอดขอบคุณมากที่เอาข้าวมาแจกแล้วลองพิจารณาสิครับแค่นี้เองเราอยากสรรเสริญพระเจ้าแล้วมีข้าวกินทุกมือม้อมีผ้าห่มวันแรกที่ผมไปแจกวันนั้นฝนตกพอดีโอ้คนพวกนี้นอนอยู่ท่ามกลางสายเฝนเราไม่รู้จะทำยังไงดีเลยเอาเสื้อ แห้งๆไปซะตัวแล้วเราสรรเสริญพระเจ้าที่เรามีทุกอย่างอย่างดีท่านสรรเสริญพระเจ้าไหมครับสรรเสริญพระองค์ในความเป็นพระเจ้าของพระองค์เพราะพระองค์ได้ทรงกระทำกิจอันทรงอนุภาพต่อชีวิตของเราอีกเรื่องหนึ่งครับไม่เพียงแค่พระองค์ทําพระองค์เป็นด้วยสิ่งที่พระองค์เป็นครับผู้เขียนบรรยายว่าจงสรรเสริญพระองค์ตามความยิ่งใหญ่ภาษาเวอร์ชันผมว่าที่สุด ของพระองค์ในภาษาดั้งเดิมใช้ความบรรยายว่าพระองค์มีความยิ่งใหญ่มากมายเกินคําบรรยายมันรู้จบับรรยายยังไงแล้วนะครับเขาบรรยายว่าเหมือนกับภาพของกาแล็กซีทานช้างเผือกที่มีดวงดาวนับล้านซึ่งนับไม่ได้มากมายมหาศาลนั้นพระองค์ทรงยิ่งใหญ่อย่างนั้นแหละแน่นอนครับเราไม่สามารถบรรยายความเป็นพระเจ้าทั้งหมดของพระเจ้าด้วยภาษาอันจํากัดขอมพิวต์อย่างเรา เมื่อเราเล่นดนตรีหรือเมื่อเราร้องเพลงครับจงร้องเพลงหรือเล่นดนตรีให้สมกับความยิ่งใหญ่ที่เกินคำบรรยายอย่างมากของพระองค์ในชีวิตของรและในความเป็นพระเจ้าของพระองค์้งเพื่อจะเข้าใจครับแล้วเราจะทำอย่างไรล่ะในความเป็นพระเจ้าของพระองค์วันนี้ผมเลยอยากจะพาเรามาเรียนรู้ในการมัสการพระเจ้าในพระธรรมสุดีบทที่2อข้อดบในบรร า, านี้ครับจงปฏิบัติพระเยโฮวาด้วยความยำเกรง และจงระเกษมเป็นปีจนเนื้อเต้นจงจุบพระบุตรเกิดว่าพระองค์จะสรงพระพิโรธและเจ้าต้องพินาศจากทางนั้นพระพิโรธของพระองค์นั้นทรงจุดให้ได้ลุกได้รวดเร็วความสุขเป็นของบุคคลที่วางใจในพระคสุริยบทนี้เป็นสุรีที่พูดถึงพระเมสยาครับหรือเมสยาอีกสามนะครับก็คือการทํานายถึงการมาของพระเมสยาในอนาคตแล้วพระธรรมตอนนี้จบลงด้วยการที่ให้คนเนี่ยนมัสการพระเจ้า มีสมิติครับที่เรานมัสการพระเจ้ามิติแรกคือพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่น่ายำเกรงเราเราคิดถึงพระเจ้าที่น่ายำเกรงเรามักคิดถึงความบริสุทธิ์ชอบธรรมความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ า, าเวลาที่เรานมัสการพระองค์เราคิดถึงความยิ่งใหญ่เราแทบจะคุกเข่าลงหรือ ย, ยกมือขึ้นสิโลราบต่อความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราน่าจะมีหัวใจแบบนี้ใช่ไหมที่เรานมัสการพระเจ้าสองครับพระพี่บรรยายว่าจงเกษมเปรมปีจนเหนือเต้นแสดงว่าอะไร ในพระเจ้ามีความยินดีด้วยมีความสุขมากด้วยเราจรึงตบมือเราจรึงยิ้มและหันไปบอกคนข้างๆว่ามาทมัสการพระเจ้าด้วยกันเถอะนะทําให้เรามีความสุขจริงๆเมนะื่อเราไมัสการพระเจ้าบอกว่า น, นี่คือมิติที่สองที่เราต้องมีด้วยอย่ายึดติดอยู่กับรูปแบบที่ทําให้เรารู้สึกว่าแหมรู้สึกยากจังเลยจะทําอะไรบางอย่างจะตบมือดีไหมผมเชื่อว่านี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เรามีความสุขต่อพระองค์เมื่อเรานมัสการพระเจ้ามิติที่สามครับ ไปมิติที่เราชอบรละบทเพลงสมัยนี้มากจะมานยายนี้เยอะคือพระพีบางฉบับบอกว่าจงนมัสการแต่ฉบับที่ผมแปลนี่เขาบอกว่าจงจุบพระองค์ก า, การมัสการเหมายว่าการจบมือครับภาษาดังเดิมการมัสการมีความหมา ย, ยถึงการที่สุนัขตัวหนึง่งมาเลียมือเจ้านาย แ, แสดงถึงความถ่อมใจแสดงถึงการแสดงออกถึงความรักเคารพรักพระเจ้ามากังนั้นสามมิติครับ นมัสการพระเจ้าในความยิ่งใหญ่อย่างมากจนเรารู้สึกยำเกรงพระองค์มากกว่างนั้นคือให้เราตื่นเต้นเมื่อเราได้นมัสการพระเจ้าและสาคัญที่สุดก็คือให้เรารู้สึกรักพระองค์จนหมดหัวใจแทบเหมือนก็นจะจูบมือพระองค์เลยพระผี่เตือนน่าสนใจนะครับถ้าเราไม่ทําแบบนี้เกรงว่าพระพิโรธของพระองค์จะถูกจุดให้ลุกได้อย่างรวดเร็วเอาเสียงว่าพระองค์เรียกร้อง การที่นมัส ก, การพระเจ้าด้วยสามิติแบบนี้ในการนมัส ก, การเสมอคือพระองค์ทร ง, งยิ่งใหญ่พระองค์ทร ง, งปเป็นความชื่นบานในหัวใจและเรารักพระองค์วันนี้ท่านพระท่านนมัส ก, การพระเจ้านี่คือสิ่งที่เรานมัส ก, การพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นแน่นอนครับทั้งหมดที่มีอยู่ด้วยหัวใจของท่านไม่ใช่ด้วยด้วยกฎเกณฑ์หรืออะไรแล้วแต่ครับแต่ด้วยหัวใจ เพลงชีวิตคริสเตียนบางเพลงอาจจะทำให้รู้สึกหรือเพลงทานมัสการบางเพลงอา จ, จทำให้รู้สึกง่วงนอนบ้างแต่ผมอยากบอกครับลองเปลี่ยนใหม่ดนตรีไม่สําคัญเท่ากับหัวใจที่อยู่ข้างในเหมือนที่พระเยซูบอกหญิงชาวสมาเรียว่าพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณคนที่นมัสการพระเจ้าอย่างถูกต้องต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงหัวใจข้างในต่างหากความจริงใจต่อพระองค์ต่างหากที่เรามีต่อพระเจ้าเพลงอาจจะทำให้รู้สึกโอ้ยอยากจะหลับจัง จะชื่นจนเปนดีได้ยังไงนะเพลงแบบนี้ไม่ต้องรอดนตรีแต่ถามหัวใจของเราเองเพระองค์เป็นพระเจ้าที่นําความยินดีมาให้คุณไหมคุณจะยืนยิ้มให้กับพระเจ้าแน่นอนคุณจะตกมือในหัวใจอยู่ข้างในแม้เพลงอาจจะไม่รู้สึกชวนตกมือคุณจะรู้สึกรักพระองค์มากมากจนแม้เพลงมันอาจจะไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกมีดนตรีตรงไหนเลยที่ทําให้คุณรู้สึกดนตรีซาบซึง้งแต่แน่นอนคุณจะซาบซึง้ง ตัวนี้เราทราบซึงยากขึ้นครับพราจังหวะชีวิตของคนมันเร็วขึ้นด้วยจนเราไม่สามารถค่อยๆละเมียดละไมในการร้องเพลงต่อบพระองหรือเป็นเพราะว่าวันนี้เนื้อเพลงเป็นการร้องเพลงซ้ําๆประโยคเดียวนานๆสาธุกา ร, ร, า พ, ร, าการพระนามองค์พระเจา้าสาธุการพระนามอะแล้วไงต่อสาธุการพระนามองค์พระเจ้าสาธุการพระนามพระเจ้าสูงสุดต้องไงต่อสาธุการพระนามโอ้ไม่อย่างอื่นเลยเหรอ มีอื่นบ้างมไหมพนามนาพะพนามไหนพระนามพระเจ้าสงูงสุดาทุกการพรนามโอ้ไม่อย่างอื่นเลยหรื่องไงเพลงทุกวันนี้อาจจะทำให้เรารู้สึกไม่ละเมียดละไมกับการไข้ควรความเป็นพระเจ้าหรือศาสนศาสตร์ยุคใหม่สองรอบครึ่งเราต้องร้องเพลงสองรอบแล้วมาซ้ําตรงคอรัสต้องร้องแบบนี้ไม่งั้นไม่ถึงพระเจ้าโอ้ศาสนศาสตร์นี้มาแรงเราทุกโบท ต, ต้องร้องแบบนี้ร้องรอบเดียวไม่ได้ต้องร้องสองรอบไม่งั้นไม่อิน ทำให้เราทั้งหลายอาจจะไม่ค่อยเวลาร้องรอบแรกอาจจะรู้สึกปล่อยใจไปก่อนเดี๋ยวมาร้องรอบสองแล้วค่อยอินเดีย๋ยค่อยเข้าขึ้นตอนช่วงส้อยเราถึงจะอินสุดๆนั้นรักครับไม่ใช่การมัสการด้วยความจริงใจการมัสการด้วยความจริงใจคือมัสการอย่างที่พระองค์เป็นและพรงทําสิ่งดีเพื่อพี่น้องแค่ใคร่ควรแบบนี้ในการมัสการพระเจ้าท่านเองจะทําให้พระเจ้าทรงพอพระทยัย เหมนที่แซมพินเขียนไว้ที่หนังสือเล่มหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับการนมัสการพระเจ้าจอมพรพระเจ้าแซมพินเขียนว่าเพียงแค่เธอชายตามองเธอก็ขโมยหัวใจของพี่ไปแล้วที่เป็นบทเพลงโซลมอนนะครับหลายคนบอกว่า oh, บทเพลงโซลมอนเป็นฟังแล้วอ่านแล้ ว, ลว จ, จั๊กจี้แซมพินบอกว่านี่เป็นข้อความที่พระเจ้าคุยกับเขาเลยบอกเขาว่าน้องจา๋าน้องได้มัดหัวใจของพี่แล้วละ่ะเจ้าสาวของฉันเอ๋ย เธอได้มัดหัวใจของฉันด้วยการชายตามองเพียงแวบเดียวด้วยสร้อยคอเส้นเดียวของเธอซามีด้วยการตวนใจจากพระญวิญญาณโดยสุดว่าการที่เรายืนมัสการพระเจ้าชายตามองบนฟ้าสวรรค์เพียงแวบเดียวเท่านั้นก็ได้ขโมยหัวใจของพระองค์ไปเรียบร้อยท่านที่รักครับวันนี้เราจะนมัสการพระองค์ด้วยการจดจ่อที่พระเจ้านมัสการพระองค์อย่างที่พระองค์เป็น อย่างที่พระองค์ได้กระทาเพื่อเราไหมผมว่าพี่น้องกําลังขโมยหัวใจของพระองค์เรียบร้อยแล้ววันนี้ท่านจะมีความสุขแม่เมื่อท่านกลับบ้านเมื่อท่านนมัสการแบบนี้สุดท้ายกับท่าทีสุดท้ายไม่ใช่แค่พระองค์เป็นศูนย์กลางคนเดียวผู้ชมแต่คนเดียวไม่ใช่เพียงแค่เรานมัสการอย่างที่พระองค์เป็นแต่ด้วยทุกสิ่งที่เรามีหยุดในข้สามนึกว่าผู้ 5, เขียนได้ เชิญชวนให้คนมานมัสการพระเจ้าโดยการรวบรวมเครื่องด น, นตรีทุกชิ้นที่มัอยู่ในสมัยนั้นครับมานมัสการพระเจ้าคล้ายๆกับเป็นการารวบรวมวงออเคสตาราเลยชิ้นแรกคือแตรครับแตรเป็นการประกาศต้อนรับบุคคลที่มีตําแหน่งชนชั้นสูงเดินเข้ามาคล้ายๆคิดอะไรไม่ออก น, นะครับคล้ายๆคิดถึงปาวุจินนะฮะเวลาปาวุจินจะเดินมาก็แวววววเหมือนกันเลยครับการเป่าแตรก็เป็นการเรียกร้องคนที่มีตําแหน่งสูง เดินเข้ามาในงานเลี้ยงแล้วมาร่วมนมัสการด้วยความยินดีพินใหญ่และพินเขาคู่ก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ดนตรีคล้ายๆกับกีตาร์สมัยนี้เป็นเครื่องมือที่ดาวิดถนัดมากจนมีการเลือกคนขึ้นมาเพื่อเล่นดนตรีชนิตนี้ในการนมัสการพระเจ้ารมนาคือเครื่องข้อจังหวะครับที่นําความรื่นเริงมามักจะถูกแปลมาเข้าคําว่าการเต้นลําแต่จริงแล้วในภาษาดั้งเดิมคําว่าการเต้นลําน่าจะเป็นเครื่องเป่าหรือปี่มากกว่า มีการพูดถึงเครื่องสายซึ่งมีเสียงสูงต่ำซึ่งมีเลนส์ที่กว้างมากหลายคนบอก ว, ว่าน่าจะเป็นออกแกนสักอย่างแต่สุดท้ายก็คือเครื่องเบือสุดท้ายคเครื่องเบือเคาะจังหวะชิงและฉาบซึ่งเป็นเป็นความยินดีเมื่อคนได้ยินได้ฟังฉาบเป็นเสียงที่ดังกว่าประกาศถึงชัยชนะวาระแห่งการปลดปล่อยอันนี้องดนตรีเหล่านี้ถูกรวบรวมเข้ามาครับเพื่อใช้ในการมัสการพระเจ้า แตแน่นอนครับนี่คือสิ่งที่เขามีทั้งหมดเขารวบรวมทั้งหมดมาให้สมกับศักดิ์ศรีความเป็นพระเจ้าของพระองค์วันนี้ท่านท่านหลายรวบรวมอะไรเข้ามาบ้างล่ะบางคนบอกโ อ, โอ้บทเราดนตรีเพียบต้องใช้ทั้งหมดที่มีเพื่อพระองค์บางบทที่ผมเคยไปร่วมมัสการใช้ดนตรีไทยนมัสกา ร, การพระเจ้าโอ้โหผมร้องไม่เป็นหลังวันนั้นในอากาศไปแบ่งปันที่นั่นเขาเล่นดนตรีไทยเข้าไปเดินเข้าไปนั่งปุ๊บร้องได้เลยเพราะอะไรทํานองคุ้นเคยทั้งข่าวกินกล้วย เขาใส่เนื้อไทยลงไปแล้วก็ล้องอย่างมีความสุขใช้ทุกอย่างที่ท่านมีมือนี่เพ็นสิบสายมีสิบนิ้วมีสิบสายพอดีตบมือให้สันเสญพระเจ้าได้เราทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ในการมัสการนี่เองเป็นสิ่งที่สมกับที่พระองค์เป็นพระเจ้าเราแน่นอนครับในวันสุดท้ายไม่ใช่เพียงแค่เครื่องดนตรีแต่ทุกสิ่งที่มีลมหายใจ เยอสิ่งที่มีครับแต่ทุกสิ่งที่เป็นด้วยพระคัมภีร์บอกว่าจงให้ทุกสิ่งที่หายใจสรรเสริญพระยาเวกอันเราไม่ใช่แค่รวบรวม ร, รีครับแต่รวบรวมทั้งหมดที่มีอยู่ทั้งคนสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเพื่อมานมัสการพระเจ้านั่นจึงเป็นเรื่องราวที่ทําให้คนหลายคนตีความว่าไปไม่ได้ที่พระคัมภีร์ตอนนี้ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อพยากรถึงพระเมิสยาก็คือองค์พระเยซูคริสต์ที่คนทั้งยิว ทนทุกชาติในโลกจะมาร่วมกันสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระองค์สมควรอย่างยิ่งในการสรรเสริญเหมือนกับภาพในวิวร่อบทที่ห้าข้อสิบอกว่าข้าวเจ้าดินเสียงสิ่งมีชีวิตทั้งหมดทั้งในสวรรค์ในแผ่นดินโลกใต้แผ่นดินโล ก, ใ น, นนโลกในมหาสมุทรและบรรดาผู้ที่อยู่ในที่เหล่านั้นร้องว่าขอให้คำสุ ด, ดีเกียรติสง่าราศีฤกิ์ดเดชจงมีแดดพระองค์ผู้ทับบนพระที่นั่งและแดดพระเมสสโบดกตลอดไปเป็นดินทุกอย่างที่หายใจได้วันสุดท้ายครับ เราจะนมัส ก, การพระเจ้าร่วมกันในวันสุดท้ายวันที่ไม่มีอะไรแล้วจะไม่นมันส ก, การทุกอย่างจะนมัส ก, การพระองค์จนหมดอันนั้นไ ม, ม่เพียงแค่เสียงร้องครับแต่ทุกอย่างที่เรามีเวลาที่เราอุทิศตัวในการฝึกซ้อมเงินทองที่เรามีส่วนในการถวายหรือแม้แต่เสียงเพลงที่เราร้องได้ให้หมดหัวใจสิ่งนี้เป็นเสียงสรรเสริญพระเจ้าที่พระองค์ทรงพอบประทาน แล้ววันนี้พระเจ้าถ้าเราให้เราทำมรสการพระเจ้าครับจากว่าทําตอนนี้ทําให้เราเห็นเลยเราต้องให้พระองค์เป็นผู้ฟังแต่คนเดียวจดจ่อที่พระองค์สองมรสการให้สมกับความเป็นพระเจ้าของพระองค์พระองค์ทำอะไรเพื่อท่านพระองเป็นใครในชีวิของท่านและสามทุกอย่างที่ท่านมีจงนมรสการพระองค์มีครั้งหนึ่งครับที่เมือง เฟลเคิร์ครับที่ออสเตรียครับพวกเขารู้ว่าทอย่างไรดีเพราะว่ากองทัพนโปเลียนเนี่ยกำลังเตรียมตัวเข้ามาโจมตีเมืองเขาเมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆครับทหารเองก็ห้อมล้อมเมืองนี้ไว้เข้ามาใกล้ชายแดนประเทศออสเตรียเรียบร้อยสภาของคนในเมืองนี้ก็ประชุมกันด่วนครับที่คิดจกักรแห่งหนึ่งขณะที่คุยกันว่าจะสู้หรือไม่กับกองทัพนโปเลียน หรือว่าจะยกทงข่าวไม่เอาแล้วยอมแพ้กลัวไม่เอาแล้วขณะที่กำลังคุยอยู่นั่นเองครับเสบานของขีจักรนั้นก็ลุกขึ้นยืนครับแล้วบอกว่าพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าขอยอมรับความเป็นจริงเลยนะเมื่อข้าพเจ้านับหัวทหารในในหมู่บ้านเราเนี่ยตายแน่นอนนะแพ้แน่นอนนะข้าพเจ้ายอมรับเลยว่าวันนี้นะถึงแม้วันนี้เป็นวันอีสเตอร์ น, นี้นวันอีสเตอร์พอดีครับ อย่าให้เราทําอะไรมากมายมากกว่าการแก้ตีระครังแล้วก็มันล่วงนมัส ก, การพระเจ้าเฉยๆเหมือนปกติธรรมดาแล้วก็ปล่อยทุกเรื่องราวทั้งหมดเอาไว้กับทิมพาดของพระเจ้าเลยผมรู้นะว่าเราอ่อนแอมากผมรู้แค่นี้แล้วก็ไม่รู้ว่าพระเจ้าเนี่ยจะทรงให้ฤทธิอำนาจของพระองค์เนี่ยปกป้องเราหรือเปล่าพูดคนี้เสร็จครับที่ไปชมทั้งบดในบทก็บอกว่าอ่ะเรามานมัส ก, การพระเจ้าด้วยกันแล้วก็เริ่มตีระครังแงแงแงแงแงงแงง กองทัพสเปนได้ยินเสียงตีะระฆังครับทันใดนั้นเองเขาตาระหนักเลยว่าไอ้หยากองทัพของออสเตรียเนี่ยคงเคลื่อนทัพมาเมื่อคืนนี้ตอนที่เราหลับพอดีงั้นพวกเราถอยทัพกลับบ้านก่อนเถอะและกองทัพฝรั่งเศสทั้งหมดก็กลับบ้านไปทิ้งค่ายเอาไว้ครับท่านรักครับนี่เป็นภาพของการวัฒนการจริงๆครับในพระคัมภีร์เมื่อเขาให้พระองค์หมดทุกอย่าง พระองค์ก็อวยพรเขาเขับวิลเลียนเทมเพิลได้พูดไว้อย่างชัดเจนว่าการนมัสการคืออะไรฟังให้ดีนะครับการนมัสการคือการยอมจำนนทุกอย่างทั้งหมดต่อความเป็นพระเจ้าของพระองค์และเป็นการกระตุ้นจิตสํานึกให้ตอบสนองต่อความบริสุทธิ์ของพระเจ้าเป็นการหล่อเลี้ยงความคิดด้วยความจริงของพระองค์ และทำให้จินตนาการทางความคิดของเราบริสุทธิ์ด้วยความงดงามของพระเจ้าและเปิดหัวใจออกน้อมรับความรักของพระองค์และยอมจำนันความตั้งใจของเราเองต่อพระประสงค์ของพระเจ้าและทั้งหมดที่เรามีรวบรวมกันมาเพื่อถวายแด่พระองค์และให้ความรู้สึกเป็นความรู้สึกที่ไม่มีตัวตนของเราเอง ซึ่งตัวตนของเรานี่เองครับเป็นสิ่งที่เป็นผลของความบาปที่เกิดขึ้นแต่เมื่อเรานมัส ก, การพระเจ้าเราจะไม่มีตัวตนอีกต่อไปท่านที่รครับวันนี้เรามานสัส ก, การพระเจ้าแบบนี้ไหมจำนวนหมดทุกอย่างปลุกสํานึกของเราเปิดหัวใจของเราเปิดความคิดของเราให้กับความเป็นพระเจ้าของพระองค์แล้วการนมัส ก, การของท่าน จะเต็มด้วยพระพรและมีความสุขตลอดวันคืนชีวิตไม่ใช่ที่นี่แต่ทุกเวลาในชีวิตทั่วใต้ฟ้าท่านอยู่ใต้ฟ้าไหมท่านจะมีความสุขตลอดเวลาเหมือนกับการนมัสการอยู่ได้ตลอดเวลาทุกที่ท่าพระองค์จะอยู่ตรงกลางหัวใจของท่านท่าพระองค์จะเป็นพระเจ้าที่ครอบครองหัวใจของท่านและท่านนมัสการพระองค์อย่างที่พระองค์เป็น ด้วยทุกอย่างที่ท่านมีให้เราสงบใจที่ฐานได้ไหมครับใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับสงบใจกับพระเจ้าวันนี้เรามารักษการพระเจ้าใครคือศูนย์กลางเราความกังวลกระวายกับชีวิตของเราส่วนตัวมันหมดบังพระเจ้าผู้เป็นศูนย์กลางแห่งความสนใจทั้งหมดหรือเปล่าเรามีความห่วงใยต่องานที่เราต้องทํา ครอบครัวที่เราต้องดูแลมากไปกว่าพระองค์หรือเปล่าแล้วเราลองทบทวนหวนคิดว่ากิจาการอะไรบ้างที่พระองค์ได้ทําเพื่อชีวิตของเราอยากให้เรามีโอกาสได้ไข้ขวดแล้วเราจะรู้สึกอยากสรรเสริญพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์ทำเพื่อเราในสิ่งที่พระองค์เป็นในชีวิตของเรามากยิ่งกว่านั้นด้วยทุกอย่างที่เรามีท่านมีอะไรบ้างให้พระเจ้าเสียงร้อง ความสามารถเวลาเงินทองสิ่งนี้สามารถใช้เพื่อนมัสการพระเจ้าได้ท่านหวงบางอย่างไว้เพื่อจะไม่นมัสการพระองค์หรือผมอยากเชิญชวนครับการให้ที่ใหญ่สุดคือการให้คําสรรเสริญแด่พระเจ้าพระองค์เองจะประทานการอวยพรกลับมากับผู้ที่นมัสการพระองค์อย่างที่พระองค์เป็นจริงๆ ท่านไม่เป็นอย่างที่พระคัมภี์ตอนนี้ขอพระเจ้าช่วยให้เป็นอย่างที่พระคำตอนนี้บอกนะแล้วผมรับประกันท่านจะมีความสุขเมื่อได้มาสการโปรทุกที่บนโลกนี้พระบิดาเจ้าข้าวองหลายขอบคุณพระองค์สาหรับความจรงิงแห่งวนชนะพระเจ้าตอนนี้ช่วยข้าวองหลายเข้าใจและไม่เพียงเข้าใจ น, นั้นให้เข้าั้งหลายยอมจำนนต่อความจริงของพระเจ้า เปิใจออกรับความรักของพระคขัดเกลาจินตนาการให้บริสุทธิ์ด้วยความงดงามของพระเจ้ายอมจำนนต่อความเป็นพระเจ้าของพระองค์จนหมดสิน้นถาวายทุกสิ่งแด่พระเจ้าข้ะพรจ้าทั้งหลายตื่นเต้นที่ได้ยืนอยู่เฉพาะเบื้องพระพของพระเจ้าตลอดเวลาบนโลกใบนี้นมัสการพระขอสมบรูรณ์แม้แต่ข้าพเจ้าทั้งหลายเมือ่อข้าพเจ้าทั้งหลายทําอย่างที่พระคำของพระเจ้าพอ ขอย ห, หัวใจของข้าพงศงหลายจะได้สัมผัสถึงการทรงสถิตยอยู่ของพระเจ้าฤทธิ์อำนาจของพระองค์และการอวยพรขอ ง, ของพระเจ้าในชีวิตของข้าพงศ์หลายเมื่อข้าพงศงหลายนามัสการพระองค์ไม่ว่าจะเป็นในวิหารหรือในทุกที่ที่ข้าพงศ์อยู่ขอยทุกที่แต่เป็นที่ที่เต็มไปด้วยพระพรอย่างมากมายในชีวิตของข้าพงศ์จึงสรรเสริญพระองค์ขอยกย่องพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวใ น, น, นพระนามพระเยซูคริสต์ฮาเมน เอาจะไอวยพรครับ